ทั้งเนี่ยเรารู้ก่อนนะคะแต่ว่ามันบุ้มออกมาค่ะแต่ถ้าเปรียบเทียวกับคนอื่นเห็นปั๊บไม่เป็นไรเขายังไม่รู้ก็คือหลบเด็กไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแล้วจิตมันก็เบาลงให้มานั่งดูว่ามันต่างกันยังไง ร, ระหว่างผู้อื่นกับสามีามต่างเพราะว่าคือสามีเนี่ยเรารู้สึกปลอดภัยนะคือสังเกตไหมะ ว่าเราอะชอบทําร้ายคนใกล้ชิดมากกว่าคนข้างนอกเพราะเรารู้สึกปลอดภัยค่ะค่ะนะและอีอย่างก็ใเคยาำใจเราค<ะ>่ะนะที่จริงเนี่ยคนคนเราเนี่ยไม่ฉลาดอย่างหนึ่งนะค่ะคือแทนที่เราจะดูแลนะแล้วก็ะระมัดระวังความรู้สึกของคนใกล้น ะ, ะเรากลับไประมัดระวังความรู้สึกคนไกลมากกว่าน ะ, ะนะตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยนะให้ให้ปรับซักนะคืถ้าเราเรามั่ระวังแล้วดีงาคนใกล้เนี่ย น, น, น, นะคนใกล้เรามีความสุขนะสังคมแวดล้อมเราเราก็มีความสุขนะคือมันมันใกล้้ายว่าตรงนี้มันเป็นคำเตืินนะคำเรียนขนบทางเนียมคนทามาไทยเราเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมเราต้องอต้องช่วยคนอื่นให้ดีกว่าใช่มันไม่แค่เป็นมา ร, รยาตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะมีมีมีมีกรอบเรืองมารยา แต่ว่าพอพออยู่กับคนใกล้เนี่ยเราไม่มีตอบแล้วนะเราเป็นที่แ้วเราก็มีความไม่ถูกก็แั้วไงก็พูด ก, กันได้คุยสุดท้ของเราเองแต่คนที่คนใกล้อเป็นคนที่เราควรจะถนอมใช่ไหมมันรู้ค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่ามไม่ตีอเลยนะเนี่ย<ม>เขาเลี้ยงดูเราเป็นอย่างดีทาร์โลนิกงานกันก็ไม่ได้ทําก็รู้สึกขอบคุณเขาค่ะแต่พออย่างเจ็วันเนี่ยอาจจะมีครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเนี่ดูมาตลอดแล้ว ปไปอะค่ะก็เกิดขึ้นิีกนะหละสัสจากนั้วก็ไปขอโทษแบบว่าขอโทษนะเมื่อกี้เนี่ยขัดใจแต่ไม่ได้ถกเถียงนะคะเพราะเขาเป็นคนเรียบร้อยแต่ใจเรารู้ะค่ะหมายถึงเมืใจเนี่ย <S <S 1> <S 1> เขาบอกเนี่ยไปไม่ได้นะอันนี้มันไม่สําคัญไปอันนี้ดีกว่าแต่ความคิดของตัว เ, เองบางครั้งมันก็ถูกด้วยว่าเราควรจะทําอย่างนี้ไม่ใช่แบบนั้น <S <S แต่จิตมันอย่างนี้ยค่ะว่าพอน า, านั่งรถด้วยกันก็จะบอกว่า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 สามีเราเลี้ยงเราเองดูเราแต่เรานี่แบบเอาแต่ใจตนเองเอะไรนะคะเกี่ยวกับคนข้างนอกเนี้ยนะเราจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีปองนะมันมีฟองเรารู้ว่าแค่ไหนพอแค่ไหนนะไม่เรียกร้องมากนะแต่กับสามีเนี่ยมันเหมือนยังไงก็ได้แล้วก็คล้ายๆว่าเราก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมไปดูที่ความเห็นของเรานะสังเกตไว้เวลาเรามีความเห็นเนี้ยนะที่จริงเนี่ยนะคเนเราเนี่ยมีความเห็นทุกเรื่อง ตลอดเวลาช <ฮะ S 1> แต่ว่าเวลาเราดมเห็นเนี่ยเรามีเรามีความยึดในความเห็นของเราด้วยมีวิธีใช่ไหมคะใช่ค่<ฮ>ะคือจริงจริงอันเนี้ยถ้าตามสาวเนี่ยก็เรียกว่าทิศถิบวกกับอุปทานการยึดในความเห็นรวมก็เป็นทิศถูกปฎหาร น, นะค่<ฮ>ะคนเราในโลกเนี่ยพระเจ้าท่านบอกว่ า, าเทะเลาะกันด้วยสองเหตุผลนะคือผลประโยชน์จากความเห็นขัดกันค่<ฮ>ะนะ ถะเละกันอย่างสมมติว่าเราอยู่กับสา ม, มีเนี่ยไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์แต่จะมีเรื่องความเห็นที่ขัดกันนะความจริงเนี่ยทุกเรื่องทุกเรา่เนี่ยทุกคนจะมีความเห็นจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะมันมีหน้าที่ให้ความเห็นแล้วจบไปแต่เวลาที่เราให้ความเห็นไปสังเกตไหมเราจะมีแรงผักที่จะพยายามผักดันให้ความเห็นของเราได้แลกกันยอมรับค่ะนะอันนี้จริงๆแล้วปัญญชนเป็นเยอะนะเราแค่ไปดูนะเวลาเราให้ความเห็นทีนั่นแต่เราแน่นไหม นะรแรงแม่นนี่เราทุกข์ทั้งเดี๋ยวเรายึดแล้วละนะที่จริงเราเมือนก็เหมือนกับว่าเวลามันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราแค่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะในแค่ส่วนเดียวนะอย่างเรามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือช่วยหรือทําทุกอย่างตามหน้าที่เราแล้วนะจบไปนะส่วนผลจะเป็นยังไงเนี่ยมันขึ้นจากปัจจัยตัว อ, อื่นนะอันนี้ใช้ได้กับทุกปัญหาในโลกเราแก้ปัญหาเนี่ยได้บางส่วน หรืออาจจะแก้ไม่ได้เลยหรืออาจจะแก้ได้หมดอันนี้ขึ้นกับปัจจัยรอบข้างคือถ้าเราวางใจเราเข้าใจนะความเปนจริงของโรคมันได้แค่เนี้นะเนีย่ยงเราไปบอกเขาเขายังไม่เห็นด้วยน ะ, ะเขายังไม่เห็นด้วยเขาเราไปบังับเขาไม่ได้ถูกไห ม, อ, มอย่างสมมุติว่าเราเองเราไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้ว่าทํำไมใจเราต้องลงใช่ไหมเพราะเราพยายามจะให้เขาถึงด้วยตามเรามันก็เหมือนกันกับข้างอ น, นะ เขาก็อยากให้เราเห็นด้วยตามเขา น, นะถ้าต่างฝ่ายต่างยึดปุ๊บเนี่ยก็คือทะเลาะกัน น, นะเราดูตรงนี้ก่อนถ้าเรายึดไปปุ๊บเนี่ยเราทุกแล้วเราแน่นมันมีความอยาก อ, อยากจะให้เขาเห็นด้วยกับเรา น, นะตัวนี้เป็นปัญหาละนะต่คอยดูเวลาให้ความเห็นไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นตรงนี้ทันนะต่อไปเราจะสบายขึ้นอย่างเวลาเราแก้ปัญหาเนี่ยเราบอกไปหรือเราให้ความเห็นไปที่เราคิดว่ามันน่าจะถูกนะ คนอื่นเขาก็มีความเห็นที่เขาคิดว่านาจะถูกเหมือนกันนะถ้าทุกคนพร้อมยอมรับกันได้ปัญหามันก็แก้ไปได้แต่ทุกคนไม่ใช่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะทุกคนเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเราบังคับเขาไม่ได้ใจเลยยังบังคับไม่ได้นนะตั้งจากเราเราไม่บังคับตัอื่นค่ะเพราะตัวเราเองเล ย, ยตัวเยนไม่ได้เลยนะเหมือนกันนะเราไปบังคับไปเหลือไม่ได้ลองลอง ด, ดูดูตรงนี้นะดูตรงยึดในความเห็นแล้ ว, ลวใจเราเราจะได้ลง มันลงมันลงเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าความเห็นเราผิดเราผิดรือถูกแต่มันลงเพราะมันเข้าใจมันเป็นความจริงเออมันเข้าใจมยอมรับความจริงทุกคนเป็นอย่างเนี้ยเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ต้องดีพร้อมก็ได้เราไปู่เขาได้ใจวางใช่าปช็อตกันได้แท้ๆว่าเขาดีนะแตกคจะดีหรือไม่อีกใช่ค่ะใช่เลยค่ะเขาดีแต่กคนจะดีอยู่ไม่อีกตรงนี้ยค่ะสมองเราค่ะ ก็ค่อยดูไปแล้วมันจะสบายขึ้นว่าชีวิตครอบครัวบางที่มันมีไบเอซเยอะเหมันมีคอนเฟลกับอินเทอร์เอสต้องบอกเขาว่าใช่ค่ะอันนี้ใจเราแบบมีความเห็น2คนใช่ไหมคะแล้วความเห็นอันนี้ถ้าเราหยุดของเราก็โกรอนวิจความเห็นที่ผิดเราไม่ใช่ไบเอซนะะคือว่าเราบอกว่าถ้าบอกว่าเรายอมรับโอเค ไม่ต้องพูดไม่ต้องโกรดแต่ว่าตกลงเลือกอันนี้เลือก1กับ2ก็กลายเป็น2ได้ไปแน่ใจว่า1ถูกเลยคืออย่างนี <c oughs> ้คืออาจจะเราต้องดูนะในสภาวะอย่างนั้นถ้าเขาไม่ยอมจริงๆน ะ, ะถึงเราพยายามผลักดันไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมต้องให้บทเรียนสอนะนะคะคือเราให้เหตุผลไปแ ล, แล้วเราไม่ต้องโมโหก็ได้นี่แล้วเราไม่ต้องทุกก็ได้เพราะถึงเราทุกหรือเราโมโหนี่เขาก็ไม่ทาอยู่ดี ใช่ไหมคะคือเราเหมือนเราเข้าใจเขาอ่ะนะแล้วใจเราวางซะไอ้ความเห็นของเราค่ะน ะ, ะแล้วต่อไปเนี่ยตอนอที่เขาไปสบายนะเราก็มาลองคุยกันด้วยเหตุผลว่าอันไหนมันดีกว่ากันตอนที่ทุกคนไม่มีอารมณ์ค่ะนะคะแล้วต่อไปก็ใช้เหตุผลค่ะนะอันนี้คือเราดูกีเดชของเราก่อนเรายึดในความเห็นเราก่อนอันนี้ทุกตั้งแต่แรกแล้วพอมันยึดแล้วมันออกความเห็นนักเขียนว่าใจเรานแน่นค่ะแล้วมันพยายามจะฟอสให้ได้ค่ะเวลาที่เราฟอสเนี่ยนะเราส่งพลังงานนะคะเรากดดัน นะทุกคนเวลามันให้ความเพียรปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะมีแรงที่ออกไปกดดันคนอื่นค่ะนะแล้วท้าฟอร์ซซึ่งกันได้กันถ้าต่างคนนังแรงก็คือทะเลาะกันนะคะลองลองไปดูตรงนี้ก่อนว่าถ้ากิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นเราแน่เรามีความทุกข์เพิ่งจะแรกแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ทุกข์ที่เขาด้วยเนี่ยเรายอมเขาไว้ถ้ามันไม่ถึงกันหรือว่าฝาแรงหรือมันร้ายแรงมากๆนะบางทีเนี่ยมันก็ต้องให้บทเรียนสอนเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่อยคุยกันทีหลังว่า ตรงนี้มันเป็นยังไงนะแล้วต่อไปชีวิตคู่มันจะได้มีปัญหาน้อยล ง, งมันจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วบางคนก็บอกว่าพิจารณาตัวเองพิจารณาตัวเองนี่บอกว่าก็อาจจะไอเดียเราจะผิดก็ได้นะเออค่ะคือความจริงเนี่ยเรายัางเเวลาเราไม่ทำเห็นเนี่ยทุกคนก <c oughs> ็ได้ยินนะว่าของตัวถูกใช่ไหมแต่บางครั้งเราคิดเราถูกร้อยเปอร์เ็นตแต่ว่ามันก็มีบางข้อมูลนะที่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ถู<ล>กก็ได้ค่ะ ถ้นะาถ้าเราแชร์ก็ได้ใจกว้างหน่อยนะ <ılmış. S 1> เราก็จะได้ได้ทางที่ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเรา ค, ควบคุมเขาไม่ได้นะ่อย่างถือว่าเราใจใจกว้างแต่เขาไม่ใจกว้างเนี่ยเราบังคับเขาไม่ได้ค่ะเขาก็เป็นอย่างที่เป็น<ม>นะะเราก็คิดว่าเออในภาวะนี้ยเราทําที่ดีที่สุดได้แค่ไหนนะคะก็ยอมรับมันตามเยค่ะคือปกติเนี่ยเราจะพยายาม สวดมต์สวดมนต์อนเช้านะคะแต่จะนั่งก่อนจะนั่งจะนั่งก่อนนั่งปฏิบัติก่อนก็ไสวดสวดก่อนนี่หมดแรงกันก็เลยเอาสวดร่างหลังนแล้วก็ปฏิบัติก่อนปฏิบัติบางทีก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเลยแล้วแค่ะคือเพื่อพยายามทําตอนเช้าแต่บางทีเนี่ยตื่นสายพอตื่นสายปั๊บเนี่ยมันก็มีธุระอย่างอื่นที่จะต้องมาให้ทำก็เลยเลื่อน การปฏิบัตสบิสวดเนี่ยออกไปว่างเวลาแต่ละว่างที่ยราไม่ได้ทําเนี่ยมีความรู้สึก guilty นะคะมันมีความรู้สึกว่าวันนี้เรายังไม่ได้ ย, ไไดยังไม่ได้ปฏิบัติภาวนาเรามีความผิดอย่างหนึ้งอันนี้เป็นความเป็นความเป็นเป็นสิ่งที่มาเตือนสติสตึตตัวเราว่าเราจะต้องทําอันนี้แล้วถ้าเราจะแล้เราไปานั่งปฏิบัติขัดริงๆเนี่ยา ก, การฝืนตัวเราเนี่ยมันผิดนี่ คือที่จริงอย่างคิวตี้ใช่ไหมคะคิวตี้เนี่ยใจเป็นทุกข์นะคะใจมีความกังวลนะคะเป็นโทสะเป็นกิเลสนะคะรู้ทันตรงนี้ไปก่อนนะคะเนีอยางเรารู้เนี่ยเราเราไม่สามารถทําได้เราเหตุผลของเราใช่ไหมคะแล้วถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเรายังดันทุรังอันนั้นเราปฏิบัติต่อร่างกายเราอย่างไม่ไม่สมควรนะคะอย่างเราควรจะพักให้พอนะคะมีเวลาเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่ว่าต้องนั่งในรูปแบบนะคะ อย่สมมติเราไม่ค่อยสบายใช่ไหมคะเรานอนไปเราจะใช้พุโทโธพุโทโธแล้วก็เห็นร่างกายเนี้ยมันพุโทโธไปนะคะเรวจะรู้ลมหายใจก็ดูเขาดูลมหายใจเข้า อ, ออกไปเรื่อยๆจนกรั่งเราหลับไปคนะคะคือปกติก็ถ้าเวลาที่ไม่ได้นั่งปฏิบัติในเวลาอย่างที่อย่างเวลานั่งคุยกันอย่างเนี้ยก็พยายามบริกรรมไปด้วยตลอดเวลาคือคือถ้าไม่เผือนะคะก็ก็ก <c oughs> ็จะพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแต่ทีนี้เนี้ย จะ ค, คิดว่าพอวันไหนที่ไม่ได้ทําที่ตัวเองเอาตั้งใจไว้นะของว<ม>ันไหที่ไม่ชีว่าคือเป็นเขาสะลูกหนึ่งใช่ไหมคะรู้ให้ทันไป ต, ตรงนั้นกิเลสเราเกิดแล้วนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าเราทําได้แค่ไหนนะคะคือทุกวันเราทําให้ดีที่สุดดีที่สุดเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเรามีภาระกิจอื่อะไรเลีเ่ยงเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราหาเหตุผลที่จะเลี่ยงไม่ปฏิบัตินะ แล้วก็วันนี้ถึงเวลาพักก็คุณพักเพราะว่าเราไม่ค่อยแข็งแรง <c oughs> แล้วก็พักให้พอนะคะแล้วพรุ่งนี้ชาวก็เอาใหม่ค่อยๆทําไปนะคะตรงนั้ น, นกิเลสเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําก็กิ๊บที่น้ำเป็นโทรศส์นะคะเ <c oughs> <ล>ป็นแอคูสนก็รูกท่านในกิเลสเกิดละเดี๋ว <c oughs> ยวปล่อยให้มันครอมมีใจอ่นนะอกขัมค่ะที่เราได้พูดถึงเรื่องสวดมน <c oughs> ก็เลยอยากทราบว่า <c oughs> เพราะว่าก็มีพี่เขา ก, กนแนะนํามาให้สวดสวดมนต์นะคะ ว่าสวดท่นมีทิปิสอะไรต่ออะไรทีนี้ก็ฟังจากทางอินเทอร์เน็ตอะไรต่อนล้วนะคะพูดถึงว่าฟั ง, ฟงเรื่องพุทธวจนะฟังพอรู้เรื่องใไม่รู้ <ๆ S 1> เรื่องบ้ <ๆ S 1> านแล้วก็ฟังตามแต่ปัญญาตัวเองแต่ว่า <c oughs> ก็สงสัยก็มีความสงสัยอย่างเรื่องสวดภาหุงนะคะสวดภาหุงอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไม่ใช่ส่วนของพุทธวจนะใช่ไหมคะ มันเป็นคำที่สาพูดแปงหรือใครแต่งยังไม่ทราแต่ว่าไม่ทราบว่าการสวดอันเนี้ยเพราะว่าเราสวดเพื่อที่จะได้พะเป็นการสวดที่โยกกับอกว่าสวดแล้วทำให้เราเนี่ยจกชนะแล้วก็พ้นภัยต่างๆมันก็เข้ากิเลสเราสิฮะใช่ไหมคะ่ะก็ บางคนเขาเชื่ออย่างนั้นนะคะเขาก็สวดไปแล้วก็ได้กับได้กำลังเนี่ยก็สวดไปตรงเนี้ยมันมันเราไม่จำเป็นต้องถกเถียงกันในเรื่องความเห็นนะคะเมื่อเราสวดมนต์เนี่ยอิติปิโสก็ผู้ชาววิทยาการนั้นเขใจค่ะอันนั้นก็แล้วแต่เ้าคิดสะคะเราไม่ต้องไปไปยุ่งกับเขานะคะเรจะพาหูมืออะไรที่จริงแล้วอ่ะบทสวดทุกบทเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเราสวดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราทำสมถะไปติตัวนะคะเรารู้สึกถึงผู้ทคกุณ ที่ทุกคูณเนี่ยเราก็เหมือนเล่นนึกถึงพระเจ้ามันก็เราก็ได้พลังพลังงานนะคะแบบคนนึกถึงแท่นเนเราก็มีกําลังขึ้นมาที่จรงหมดอะไรก็ได้ค่ะนะคะไม่ไม่ต้องซีเรียสถ้าคนหนึ่งเขาชอบอันนี้เขาก็สวดอันนี้นะคะคือกับอุติก็สงหมดนะคะแต่ทีนี้มันคิดอีกทีเอง <c oughs> เพราะว่าเราสวดอิติปิโสเนี่ยเราละลึกถึงพระพุเจ้า <c oughs> ไปทำประสงค์อันนั้นเราเราอันนี้ก็ประเสริอแล้วค่ะไม่แต่แล้วพอมาสวดพาหุ่เนี่ยว่า มันมีคำว่าเพราะว่าเลยทําให้ว่าเอเราสวดอันนี้เราเราตามกิเลสล้วนะเราตามว่าคือไม่ใช่คงจะคิดมากนะคะว่าเมราสวดเพราะว่าเราต้องการไม่ใช่ว่าเพราะเราระลึกคุณแล้วกลายเป็ว่าต้องการก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะคือเราสวดไปแล้วก็อย่าไปอย่าไปคิดอย่างนั้นเราก็ถือว่าเราสวดมนต์เนี่ยทุกครั้งที่เราสวดมนต์เนี่ยใจเราก็ได้สมาธิก็ได้ประโยชน์นะคะจะบดอะไรก็ได้ เพราะว่าดีแล้วก็เออเสือไปก็ได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะค่ะไม่ได้เสียเวลาแต่ทําไมส่วนมนต์แล้วถึงหมดแรงอะคะเื่อเหนื่อยค่ะเราอยอกเสียงก็เป็นเสียงแล้วก็บางทีไม่ออกนะคะแต่ระยะหนึงไม่ออกเสียงคือออกเบาๆแล้วเมื่อก่อนนี้ก็ออกเสียงดังแต่ว่านี้ค่อยๆไม่ค่อยแข็งแรงก็ส่วนในใจก็ได้ค่ะคก็ส่วนในใจเนี่มันมัน เวลาสวดในใจนี่รู้สึกมันมีความคิดม า, มาตีกันเยอะกว่าก่อนเลยกันค่ะ <c oughs> แล้วมันเลยสวดไม่ค่อยรู้เรื่องหรือย่างน้อยเนี่ยต้องออกเป็นใ <c oughs> จไม่คิดอึดอัดสวดแต่จว่าอิดอึดสวดพระกบานี้ไม่ได้จะต้องออกเป็นเบาๆอ่ะคือถ้ า, ถาสวดแบบอยู่ในใจนี่มันไปได้ไม่ตลอดค่ะ ค, ควา ม, มจริงมันมจริงความจริงอย่าง<ใ>นี้นะคะ เยอเราสวมดมนต์เนี่ยนะเราไม่ห้ามความคิดนะคะอานนั้นอนาะจจะเมื่อแลมั น, ม, นมันมาแย่งกับที่เราจะพยายามจะสวดนะคะถ้ารู้ทันค่ะแล้วเราก็สวดของเราไปเรื่อยๆที่ช่วงแรกที่เราสวดเนี่ยบางทีใจเรายังฟุ้งซ่านอยู่ใช่ไหมบางทีมันก็ไปเยอะบ่อยๆไม่เป็นไระน ะ, ะพอสวดไปเรื่อยๆด้วยคำสบา ย, บายนะคะใจก็จะค่อยๆสงบลงนะอันเนี้ยเวลาที่เราสวดแล้วจิตมันไปคิดเนี่ยเราจะเห็นจิตที่หนิไปคิดเนี่ยบ่อยๆมันก็เหมือนการซ้อมเห็นจิตที่เผือไปที เห็นบ่อยๆต่อไปกินเข้าจังได้กลางวันนี้พอเราเผลอปุ๊บเนี่ยสตจะเกิด น, นะฮะเพีาะงั้นเราสวดมนต์เนี่ยเราเราตั้งหลักไว้อย่างนี้ว่าช่วงสวดมนต์เนี่ยเหมือนเป็นช่วงภาวนาไปด้วยนะคะบทสวดมนต์เนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นแบ็คกราวนะคะให้เราเผอไปกินให้ยัยงงี้เราไม่เสียเวลานะคะถ้าเราเนื้อในใจเนื้อในใจถ้าฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะไปบอกแต่ว่าอย่าไปท้อแท้ใจนะคะทไปชัง่งมาแล้วก็ค่อยสวดไปเรืเ่อยๆทำใจส บ, บายนะคะ ก็ค่อยๆสงบลงแล้วมันจะค่อยเห็นคือสวมดมนต์เราไม่ห้ามจิตไปคิดนะคะคือจิตของคนปกติเนี่ยถ้าสวดบทที่คุ้นเคยจิตเขาไม่ต้องจำใช่ไหมคะก็อแอบนี้ไปคิดอย่างอื่นทันทีนะคะ อ, อันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องห้า ม, มน ะ, ะเราเราถือโอกาสเลยว่าตอนที่เราสวมดมนต์เนี่ยเราซ้อมดูจิตที่เผลอไปคิดสังเกตไหมเวลาเราเผลอไปคิดเนี่ยเราลืมหมดเลยเหมือนใจเราถลม่มลงไปอยู่ในโลกของการคิด ใช่ไหมคะพอเราดึกได้เราก็สวดต่อไม่ต้องดึงไม่ต้องห้ามนะคะเอาช่วงสวมดมนต์เนี่ยเป็นช่วงซ้อมดูจิตไปด้วย mm hmm. สังเกตไหมเวลาเราคิดเรื่องที่ดีใจเราก็ถูกตรงบนขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาที่เรื่องที่ที่ที่ไม่ดีตรงบนขึ้นมาที่เรื่องที่ดีใจเรามีความสุขขึ้นมานะมันใจเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆน ะ, ะเหมือนกับที่จริงมันก็เหมือนกับเดินจงกลมเดินรงกลมเราก็เห็นจิตเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะคะเั็นบทสวมดมนต์เนี่ย เวลาเราสวดมนต์เหมือนบทสวดมนต์เป็นเครื่องดยู่นะคะถ้าคิดอย่างนี้คือเราสวดมนต์สวดใจในีไปคิดรู้ทันแล้วเราก็สวดต่อเรื่อยๆนะคะเอาบทสวดมนต์เนี่ยเป็นเหมือนกับหลักแตะๆไว้นะคะคือไม่ใช่สวดมนต์แล้วจะต้องให้จบให้จบแล้วโที่ไม่คิดอะไรเลยอย่างนั้นมันจะบังคับมันจะเหนเอยนะคะถือว่าช่วงสวดมนต์เป็นช่วงซ้อมเนี่ยเราสวดยาวเท่าไหร่ก็ได้เพราะเป็นช่วงที่เราซ้อมดึงจิตไปทําใจสบายนะคะ ถ้ายิ่งถ้ายิ่งพยายามบังคับให้มันไม่คิดเนีย่ยมันยิ่งเครี่ดนะมันจะยิ่งยิ่งยิ่งกดมันมันก็จะยิ่งไม่สงบนะคะแต่ถ้าเราสบายๆเรากดไปเรื่อยๆเนี่ยหรือเราอยู่เครื่องอยู่รู้ลมหายใจหรือพุทโธหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ารู้สบายๆเนะี่ยจิตที่ฟุ้มซ่าในี่สักช่วงหนึ่งมันจะสงบลงนะมันเจ้าก็ตามรู้ทําดูไปได้นะลองดูใหม่ว่าถ้าเราสวดในใจนะคะ แล้วมันไปคิดรู้ทางแล้วก็สวดไปเรื่อยๆค่ะลองดูย้อนีนี้มันไม่ไม่ไม่ซีเรียกบางทีเนี่ยส่วนใหญ่คําสวดมันเป็นบาลีค่ะอันนี้ความหมายเนี่ยจําเป็นต้องรู้ด้วยหรือเปล่ามันดีขึ้นไหมถ้าเรารู้ความหมายสวดไปเนี่ยหรือว่าสวดแปลไปด้วยก็ได้ค่ะแต่ถ้าสวดแปลไปด้วยเนี่ยบางทีเราต้องอ่านไงเราต้องอ่านเนี่ยอัเราจะจะม้วนหกมุ่นกับ กับบทสวดผลแปล<ม>ใช่ไหมคะมที่จริงบทสวดที่เราต้องการเนี่ยมีไม่มากเลย<ม>นะคะเพรหังอัหังสวัสดิโ์โตสุปฏิปันโนนโมสมจบแล้วก็มาบทอิทธิปิโสสวัสดิ์คาโตสุปฏิปันโนนะคะหลังจากนั้ น, นก็แต่แต่ไม่ตาให้ตนเองแต่ไม่ตาให้สรรพสัตว์ที่จริงที่ต้องการอย่างีแค่นี้<ม>นะคะบทคราหมณ์กับชัยตรตไม่ต้องสรวจอันนี้วบางคนก็ชอบวจก็สรวจได้ค่ะก็แล้วแต่ มน <c oughs> วนมากคนเขาจะสวดใจละมงคนกับชัยปริตต่อแล้วมาจีนแล้วบันทอนสวดอะไรก็ได้คะ่ะก็แต่เวลาสวดมนวนนี้มันทําให้จิตมีสมาธิไม่ใช่เหรอใช่สวดแล้วจิตก็จะได้สมาธิด้วยนะคะที่จริงบทสวดมนวนเนี่ยคลองเหมือนเป็นมนต์ตัวนึง น, นะคะบางมนวนเนี่ยสวดแล้วก็ให้พลังเหมือนกันอย่างฟาหูเนี่ยก็ได้พลังคือก็เหมือนกับเขาผูกมนต์ขึ้นมาเนี่ยมันแปลวป้องกันตัวเองนะคะ กินตะบนชอนอะไร่าเงี้ยที่จริงเขาก็เขาก็มีมีมีของเขามาอยู่อะค่ะคือว่าสวดแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นมวลโดยในที่เราก็ได้พลังนะคะนั้นจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้แล้วแต่คือคือถึงได้ถึงได้แบบว่าคิดว่าเออถ้าเราที่เราสวดเนี่ยเพราะว่าเรากิเลสเพราะว่าเราต้องการถึงถึงกิเลสอะไรแล้วสวดไปก็ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่ห้ามไม่ได้เสียหายอะไรกิเลสตันดี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 พ อ, พอตัวเองไม่ได้เป็นผู้ดูแลแต่ตัวเองจะเข้าไปอยู่มันจะตบกระแสของการไปเป็นผู้หายใจ <c oughs> จะดึงยังไงให้ตัวเองเนี่ยแบบทีเป็นผู้ดูอยู่แล้วก็จะดึงยังไงโดยที่ไม่มีการกระชากจิตขึ้นมา <c oughs> ตรงนี้ฮาที่แก้ไม่ได้ตรงนี้มันค <c oughs> ่อยๆมันเป็นเทคนิคนิดหน่อยอะค่ะ <c oughs> ถ้าเราชํานานเนี่ยมันจะค่อยๆทาได้ดีขึ้น <c oughs> แต่ตมันจะตบลงไปที่เป็นแนบลมนี่ยแนบลมนี่เหมือนกับว่ามันจะ แนบลมเสมอจะจะขึ้นมาเป็นผู้ดูอีกเนี่ยมันลำบากความจริงเวลาที่นั่งสมาธิหรือว่าทําอย่างนี้นะคะเขาก็ไม่ห้ามนะคะอย่างถ้าอย่างที่ท่านบอกว่าจิตเนี่ยอยู่กับลมก็รู้ว่าอยู่กับลมไปนะคะถ้าเขาแนบลงไปก็รู้ว่าแนบนะถ้าเขาแยกไปเป็นผู้ดูเนี่ยก็รู้เข้ามาเป็นผู้ดูคือถ้าเราทําวางใจว่าจิตเขาเป็นไงเราคอยตามดูไปเป็นยังไงก็ได้เอคือถ้าเข้ากับเข้าไปเป็นคนหายใจเองก็ช่างมันก็แนบแนบก็แนบไป อย่างถ้าเขาแนบไปเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์เวลาเขาแนบไปมันก็เป็นการทําสมถะนะคะจิตได้พักมีกําลังเขามีแรงขึ้นมานะคะเขาก็แยกมาดูเองนะ oh. ะนั่นเขาแนบไปเขาแค่รู้ว่าเขาแนบนะทีนี้พอแนบไปเนี่ยตอนเนี้ยเรารู้สึกมันไม่ดีเราไม่ชอบ uh huh. ใช่ไหมคะตรงนี้เรายินร้ายแลนะเราพยายามไปแทรกแซงพยายามไม่ให้มันแนบนะที่จริงสมถาถะเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรในเวลาที่เราภาวนาเนี่ย ทำสมาธิกับวิปัสสนาเนี่ยสลับกันไปมานะคะเวลาจิตที่เขาต้องการพักเขเขาก็แนบไปนะก็ได้พักไปยกเว้นว่าเราทําทีไรแล้วเราแนบตลอดเวลานะอันนั้นคือเราเอาจต่พักเราไม่ยอมเดินปัญญาแล้วก็หลับยาวจนทั้งคืนตอนนั้นมันไม่เป็นไรตอนนั้นมันเป็นเวลาจะนอนแล้ว <c oughs> ให้มันนอนไปนแล้วพอเวลาช่วงหัวรุ่งตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะ ถ้าบางพอช่วงกําลังตื่นขึ้นมาเนี่ยจะจับทันว่าอ๋อนี่พึ่งฝันไปกําลังหลุดออกมาจากความฝันมาก็จะจิตจะบอกตัวเองทันทีถ้าตายไปนะตอนนี้ไปอบายชั่วเพราะว่าอยู่กับความหลงคือจะจะจิตมันจะบอกตัวเองวนะ่าชีวิตนี่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้นี่มันใช่มันใช่ชีวิตหรือว่านี่คือชีวิตสองอย่างมันเท่ากัน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 หลงเมื่อกี้นี้หลงเข้าไปในความฝันหรือว่านี่คือหลงเข้ามาในความเป็นจริงไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้กลมากไปนหน่อยนะฮะแต่มันจะบอกของมันเองไม่เป็นไร<อ>เขาบอกของเขาก็ช่างเขานะคะที่จริงเราก็ต้องนอนใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็ค่อยล่วงเราไปนะเวลาถ้ามันจะฝันร้ายหรือมันจะไปจริงๆเนี่ยนะฮะจิตเนี่ยมันจะมีแรงนะแล้วมันแยกออกมาเองแหละเหมือนที่เราตื่นห้อปุ๊บเนี่ยนะแล้วเราก็กลัวว่าเราจะไปทันที แต่ตอนที่กลัวเนี่ยนะมันก็เป็นทีเล็นะมันเป็นอากุศลนะเราเรายินร้ายกับการที่เราฝันเลยนะรู้ทันตรงกีเด็ตรงนี้ค่อนนะพ่อทุณงสัผมว่าให้เวลาชี้กนอนนะว่าทุ่มที่ตั้งถนงเช้าแล้วก็อยากใกลจะใก้เวลากลางวันจะใกลขอขอบคุณคุนแม่ชีด้วยที่ว่าได้เปิดโอกาสให้หลวงพ่อประมว่เนี่ยมาสอนพวกเราสมัยนั้นของ หลวงพ่อหลวงพ่อต้องมาเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งแต่ตั้งแต่เดิมอะที่ก่อนที่จะมาบวชก็เป็นการปโอกาสดท่านอย่างมากเลยเป็นเพราะว่าเป็นก็จริงๆแล้วก็อยากค้นทุกเหมือนกันนะคะและรู้ว่าถ้าเราอยู่ทังโลกนี่เราคงไม่พ้นหรอกก็ใจมันใจใจมันใจมันเป็นอย่างนี้เองนะค่ะแต่มันก็อยากอยากมาอยู่อย่างนี้มากกว่าเอข็ไม่ได้เหมือนว่าปล่อยหลวงพ่อแต่หมายถึงว่า มันเห็นด้วยแล้วมันก็อยากมาทางนี้เห็นด้วยกันค่ะเห็นด้วยกันค่ะเป็นเป็นปรากเราก็แต่เราเราไปอยู่วัดนแต่เราบูชาไม่เคยรู้สึกว่าเราเลือกผิดเลยค่ะแล้วเราก็เดินข้างหน้ามดทัหากไรุ้กข้งหมทุกคนกลับ้วยนครับดีคุยวันนี้ก็เพราะว่าที่ว่าพอดีเขลวงพ่อสอนเสร็จมันเป็นทกลับเลยนี้